โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเช่นคำบริกรรมเป็นต้นเมื่อจิตได้รับความย่อมเย็นเช่นนั้นกับคาว่าทมนั้นเราไม่ต้องไปถามความร่มเย็นนั่นแลคือทมฝ่ายผลการระมัดระวังนั่นแลคือทมฝ่ายเหตุการบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติ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 สินค้าสินค้าประเภทอัศจรรย์นั้นนั้นได้ทำจริงเหมือนไม่ใช่ทำเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีทำความศักดิ์สิทธิ์พิเศษแต่อย่างใดเลยเพราะเหตุใดเพราะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษจุดที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั้นมีแต่ของเลอะเทอะเกลื่อ น, นเต็มไปหมดอยู่ภายในจิตมองดูแล้ว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 มองหาธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษจนไม่มีเลยกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาไปหมดทั้งทั้งที่คนคนนั้นเป็นคนสาคัญคนหนึ่งจิตดวงนั้นเป็นจิตสาคัญดวงหนึ่งที่หาความสำคัญมาได้ก็เพราะสิ่งที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยนี่แหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบงังนี่อันนี้แหละที่ทาให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อื่นใด